คำว่าสมุทยสัจจปัญหาเนี่ยนะก็อยู่ที่ไหนอยู่ในสัจจานิเทศสัจจานิเทศหรือว่าสัจจะบัพพาสติปัฏฐานเนี่ยนะสัจจะบัพพาสัจานิเทศเนี่ยจะมีที่บอกว่าจริงอยู่ท่านกล่าวว่าตัณหานี้นั่นแหละเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนเมื่อจะดับดับที่ไหนนะสมุทยสัจจปัญหากับทุกขสมุทุกขนิโรธถ้าปัญหาเนี่ยทุกขนิโรธถปัญหาบอกว่าตัณหาเมื่อจะเกิดเกิ ด, กดที่ไหน ทีนี้นิโรคปัญหาก็ถามว่าตัญหาเมื่อจะดับดับที่ไหนก็บอกว่าจึงกล่าวว่าเกิดที่อเยตนา12ถ้าจะดับตัญหาดับที่ไหนดับที่อเยตนา12กิเลสกิเลสเนี่ยเกิดที่ไหนเกิดที่ตาถ้าจะดับดับที่ไหนก็ดับที่ตาชั้นดนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าที่ใดเป็นที่เกิดแห่งตัญหาที่นั่นแหละเป็นที่ดับแห่งตัญหาเหมือนกับว่าถ้าโรคมันเกิดที่ที่ตัวเนี่ยจะไปรักษาที่ต้นไม้ได้ไหม ไม่ได้มันก็คนละอย่างกันมันมันแไฟมันไหม้ที่ไหนดับที่นั้นใช่ไหมใช่เนี่ยนะดับแต่ว่าที่สําคัญก็คือดับพร้อมทั้งเหตุนั่นแหละดับพร้อมทั้งเหตุเพราะในสติปัฏฐานสัจจะบัพพะหรือในนิโรธสัจจะพระองค์จึงตรัสว่าปีรูปสาตรูปนั่นแหลมีอยู่ในโลกสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลก ตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในปีรูปสาตรูปในสภาวะที่น่ารักในสภาวะที่น่าปรารถนาถ้าจะดับตันหาก็จะดับในสภาวะที่น่ารักดับในสภาวะที่น่าปรารถนาปิยะนี่แปลว่าน่ารักสาธะแปลว่าหน้าใคร่หน้าพอใจหน้าปรารถนาเพผะตันหาถ้าจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราปรารถนาถ้าจะดับดับที่ไหนก็ดับในวัตถุที่เรารักดับในวัตถุที่เรา ปราถนาพันถามว่าปีรูปสาตรูปในโลกคืออะไรไอสิ่งที่เรารักเราพอใจในโลกคืออะไรสิ่งที่เรารักเราชอบใจในโลกบอกว่าตาจากักษุเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาถ้าจะดับตัณหาก็ดับที่ ตาใช้คำว่าดับนะนิโรธดับโดยตาทางท่าประหารวิขำพนะประหารสมุตเฉทประหารนิสรณะประหารปฏิปสัสสธิประหารเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งตาทางท่าประหารคือวิปัสนาตาต้องเป็นที่ตั้งแห่งวิขำพนะประหารคือสมถะถ้าตาเป็นที่ตั้งแห่งสมถะและวิปัสนาเจริญสมถาวิปัสนาเพื่ออารยมรร์เนี่ยนะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดใน ดวงตานั่นแหละเป็นที่ดับกิเลสในดวงตาเพรา ะ, ะนั้นตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่อายตนะเมื่อจะดับก็ดับที่อายตนะพระนิพพานนี่อยู่ที่ไหนอ่านะเขาวิธีคิดเขาบอกว่าตาเห็นให้เกิดตาความดับตาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตาเพราะฉะนั้นนิพพานคืออะไรคือความดับตานิพพานอยู่ที่ไหนดับวัตถุที่ตั้งแห่งตันหาได้นั่นแหละคือนิพพานอ่านะ มันจะบอกว่านิพานมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วงั้นทุกคนก็เห็นนิพานหมดสิถ้านิพานอยู่นอกตัวเขาก็ไปปฏิบัติที่นอกเขาจั ก, กรวาลดิมันก็ไม่ใช่เพราะฉนั้นถามว่าอยู่ที่ไหนอ่ะบอกมันเป็นความดับทุกข์เนี่ยนะสมมติว่าถ้าความหายไข่เนี่ยจะ ไ, ไปหายที่ไหนก็หายอยู่ที่ตัวคนไข้เนะี่ยแล้วไข่จะเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดที่ที่คนนั้นความหิวกับความอิ่มอยู่ที่ไหนก็อยู่ในที่เดียวกันนะความเจ็บกับความหายเจ็บอยู่ที่ไหน วัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งสุขวัตถุนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์วัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งวัตตะวัตถุนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งวิวัตตะเอางี้วะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยเขาบอกขาดทุนกับกําไระมันอยู่ที่ไห น, นอยู่ที่ตัวสินค้าสินค้ามันเป็นตัวบอกว่าขาดทุนหรือกําไรนะเช่ น, น, นคนขายยาเนี่ยนะ บากกำไรขาดทุนอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวยาเลยแหละยาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความขาดทุนและควะและกําไรอันนั้นไรขาดทุนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลําเทียนนั่นคุณสุภานีอยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่อื่นโลกเลยนะแต่ว่าถ้าไม่เป็นก็ขาดทุนถ้าเป็นก็กําไรเนี่ยนะก็อยู่ตรงนี้อ้าจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่บรรลุมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจล่ะแล้วทํำยังไงอ่ะมันก็ทําให้ถูกมรรคมีองค์แปดก็แล้วกันทำให้ถูกมรรคมีองค์แปดอย่าวังเลยเนี แทนที่จะดับตากลายเป็นว่าสร้างตาอ น, นี้ดีกว่าคิดว่าเหมือนคนโง่เขลาคนหนึ่งไหก็อบอกเอาเอาเงินไปชดใช้เขาซะอันนเอาเอาเนี่ยนีให้ซับไปฉันให้ซับเธอไปเนี่ยเธอไปใช้หนี้ให้หมดนะแล้วปิดบัญชีเลยนะแล้วเซ็นสัญญาประทับตราให้เรียบร้อยว่าปิดบัญชีบอกตรงกันข้ามไปสร้างหนี้ใหม่เนี่ยนะไปกู้ก้อนใหญ่ไอ้ก้อนเก่าก็ให้เขาใช้ฟรีแล้วกู้หนี้ใหม่ขึ้นมาอีกเบืเริ่มเลยแล้วประทับตรารับรอง ชดใช้ด้วยชีวิตเหมือนกันชดใช้ด้วยชาราและมรณะแม้ไม่ชั้นใดก็ดีเชื่อไหมวัตตะทั้งหลายก็เหมือนกันคนที่ปรารถนาจะดับวัตตะทุกไม่รู้ไปสร้างวัตตะทุกหรือไปดับกันแน่น้องมาทบทวนให้มันดีๆนะอ่านสัญญาให้มันดีนะสัญญาวัตตะเนี่ยนะสัญญาวัตตะเนี่ยเขาเขามียังไงบ้างระบบเขามีอาศัยจกักรกับรูปเกิดจักุกวิญญาณธรรมส3มอย่างประชุมกันเป็นภาษานั่นแหละคือสัญญาของวัตตะอะไรกัเรียกว่ากฎเกณฑ์ของวัตตะ ที่นี่ที่ไหนได้แม่ไปเที่ยวดูบางอย่างเผื่อจะพ้นวัตฏะที่ไหนได้เนี่ยไปสร้างต่างหากแล้วเนี่ยนะมันรัฐที่สมัยก่อนเขบอกเป็นลัฐที่เรีดิมถ้าคุณอยากแก่นิพพานนะคุณต้องใช้ตาดูให้สมใจอยากแล้วคุณจะดับทุกข์ได้ที่ไหนได้ตรงกันข้ามเลยถ้าคุณอยากจะดับหูได้จริงๆคุณต้องฟังที่สุดเท่าที่จะหาฟังได้รู้หักถ้าจะดับจมูกก็ต้องหากลิ่นที่หอมที่สุดที่น่าชื่นใจที่สุดมาดม ถ้าอยากจะดับลิ้นต้องหาของอร่อยที่สุดให้ลิ้นกินก็เหมือนว่าถ้าอยากจะดับไฟกองนี้นะหาฟืนมาเถ อ, เอนะมาเพิ่มฟืนให้มันเต็มแม้จะถมทะเลเหลือเกินเนี่ยนะอยากจะถมทะเลเนี่ยนะก็เลยบอกเออจะทําให้ทะเลเนี่ยมันล้นถึงฝั่งเลยเปิดแม่น้ําทุกสายหไหลลงทะเลให้หมดเผื่อมันจะเต็มเปี่ยมพอดีบอกไม่มีทางมันสิ่งใดก็เหมือนกันในโลกของสังสารวัฏเนี่ยคนเข่าวทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ย ไม่รู้ผลไม่รู้เหตุแทนที่จะดับเหตุกลายเป็นว่าไปสร้างผลกลายแทนที่จะดับกลายเป็นสร้างผู้คนทั้งหลายปรารถนาบรรลุนิพพานเนี่ยย่อแยกไปหมดเลยเพราะทุกคนเชื่อว่าตัวเองจะต้องถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่ที่ไหนได้ห่างจากที่สุดแห่งทุกข์กลายเป็นว่าทุกข์มากยิ่งขึ้นที่ไหนเป็นที่ดับทุกข์ล่ะและวิธีการดับทุกข์มันเป็นอะไรแล้วทุกข์มันคืออะไรแล้วเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วปฏิบัติอย่างไรจริญจัจก ดับทุกเนี่ยนะแต่คําสอนทั้งกระชี้ชัดเลยนะทุกเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นตัญหาเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นและคิดยังไงจริงจะไม่เป็นตัญหาถ้าคุณไม่คิดอย่างนี้ทุกอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วถ้าปฏิบัติไม่ถูกเหตุ ก, ก็กลายเป็นว่าปฏิบัติเพื่อสร้างทุกพันตัญหาเกิดที่อายตนะบรรบุคคลผู้เจริญสมถาวิปัสนาแทงตลอดพระนิพพาน อายตนะนั้นหรือตัณหานั้นจึงดับโดยอาศัยพระนิพพานเคือ ว, ว่าเมื่อปฏิบัติเพื่อเบื่อน่ายและคลายกำหนดในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะแทงตลอดพระนิพพานตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่าใดที่พิจารณาจนเห็นนิพพานตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเคยเห็นคนเอาเท่าฐานเนี่ยมาจุดทําเป็นเชื้ อ, อขออภัย เคยเห็นใครเอาขี้เถ้ามาทําเป็นเชื้อเพลิงไหมเผาให้มันเหลือเป็นขี้เถ้าแล้วเอามาทําเชื้อเพลิงเนี่ยทําสําเร็จไหมไม่สําเร็จชั้นใดตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่าใดพิจารณาจนถอนเยื่อใหญ่ได้สิ้นเชิงตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาอีกต่อไปถ้าถ้าเรียกว่าเผาซะจนก็เลยเรียกคำว่าตะบะไงตโปเรียกเผาจนจ น, จนไม่เป็นที่ตั้งแห่ง ตันหาแต่คำว่าเผาเนี่ยไม่ได้ถูกเผานะอา้าวคำว่าถูกเผามันคนละอย่างถ้าถูกเผาไม่ต้องหรอกเดี๋ยวถึงวันนั้นน่ะนะสับ ป, ประเวทเขาเอาไปเองและต้องจ้างเขาเผาด้วยนะแต่ถ้าไม่มีสตังระดับหนึ่งคุณอยู่เมนนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเมนน่ะนะเป็นต้นน่ะนะเพราะถ้าอินเดียเนี่ยมันจะเสียค่าฟืนเนี่ยนะแพงนะถ้าไม่มีตังเนี่ยคุณไม่ได้เผาแถวนี้นะกนะ็โอ๊ยหลายตังนั่นเนี่ยถ้าถูกเผาเนี่เสียตังอ่ะนะแต่ถ้าต้องเผาเชื้อเผาเยื่อใหญในวัตทมที่สุดเอง ทุกได้น่ยนะแต่ว่าถูกเผาพวกเราทุกคนแน่นอนอ่ะนะใครจะถูกก่อนอีกก็เรียกว่าเอโลกนี้ม yes, okay. ันไม่ได้ว่ากันตามอายุนะมันว่าคิวใครคิวง้นแล้วแต่จับฉลากนะบริหารกรรมชรูปดีไม่จิตชรูปดีไหมอุตุชรูปดีไหมทําเป็นผู้ดีไปเถอะคนหนุ่มตายก่อนแล้วกันนน่ยเขามีหลายคนเนี่ยนะคนที่อายุมากที่สุดกลายเป็นคนสุดท้ายอย่างว่าจะคืออะไรนะบางครอบครัวนี่เป็นเป็นอย่างนั้นนะมันมีคนที่อายุสุดท้ายกลายเป็นคนอายุมากที่สุด ไอคนที่เขาหวังอันดับหนึ่งที่จะครองสมบัติต่อไปอันคนแรกคนที่สองหวังรองลงมาไอนคนที่คิดจะให้นั่นแหละรอใช้อันครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันไม่ไนแน่นนอนอะไรหรอกโลกเนี่ยมันก็เห็นวัยรุ่นเของมาเนี่ยหลานตายไปทั้งหลายคนละนี่นะมันก็ไม่ได้ว่าอายุมากอะอะไรนะอายุไม่าอายุน้อยกับเราต้องเยอะนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะเอาอะไรแน่นอนแต่ว่าในทางคําสอนเนี่ยปฏิบัติอย่างไรจึงจะเผา กิเลสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สำเร็จต่างหากนั่นนะเลยก็เลยบอกว่าอากุศลธรรมอัลามกเนี่ยถ้าจะดับดับที่ไหนดับที่อายตนะทั้งหลายอากุศลธรรมถ้าเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่อายตนะทั้งหลายถ้าจะดับอกุศลธรรมดับที่ไหนดับที่อายตนะทั้งหลายฉันนั้นอันหนึ่งความไม่มีแห่งความเพลิดเพลินเป็นต้นนี้ใดท่านบอกว่านี่แหละเป็นที่สุดแห่งอนุสัยทั้งหลาย ที่ใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเ พ, เ พ, พลินพระนิพพานเพลิดเพลินนั้นเป็นชื่อของตันหานะที่ใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาที่นั่นเรียกว่าพป็นิพพานพระนิพพานนั้นจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยไม่เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลอันชั่วช้าเลวร้ายทั้งหลายเพราะนักอกุศลธรรมอันชั่วช้าเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยดับไม่มีเหลือโดยอา ศ, าศาัยพระนิพพานที่ได้กล่าวว e ่าเอเถเตราคานุสยาทีนางอนุโตบอกว่าสิ่งใดไม่มีในนิพพานใดสิ่งนั้น ชื่อว่าอันดับแล้วในนิพพานนั้นเพราะถ้าผู้ที่ตรัสรู้อริยมรรคแล้วเนี่ยนะบุคคลใดถ้าตรัสรู้อริยมรรคทำที่สุดแห่งทุกได้แล้วบุคคลนั้นตัวบุคคลนั้นจะไม่เกิดกิเลสอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นเนื้อความแห่งนิโรธปัญหาก็จะมีอยู่สองคำคือสมุทยาปัญหากับนิโรธปัญหากิเลสจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่อายตนะทั้งหลายถ้าจะดับกิเลสดับที่ไหนดับที่อายตนะเพราะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดใน อาญตนะเนี่ยนะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเหมงอนันนะถือไว่าที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเข้าใจยากมากเรียกว่าอุเทศคำพูดเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าอุเทศฟังเข้าใจยากเหลือเกินพอพระพุทธเจ้าตรัสตอบดังกล่าวเนี่ยนะทวนอีกครั้งน ะ, ะคำถามถามที่พระพิสุถามท่านถามว่าท่านถามนะทวนในใน ข้อ245ที่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพิสุรูปหนึ่งได้กลับทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตรัสอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้ปราศจาก การทั้งหลายนั้นผู้ไม่ลังเลผู้ตัดความขนองได้แล้วผู้ปราศจากปัญหาในภพน้อยภพใหญ่ตัดตัญหาอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพิกษุส่วนแห่งสัญญามาเครื่องเล่นช้าคือตัญหามาณ ท, ทิิย่อมครอบงําบุรุษเพราะอาศัยอายตนะเหล่าใดการที่บุคคลไม่มีอายตนะเหล่านั้ น, ค, น, น, นคืออาศัยพระนิพพานที่จัก ดับความเพลิดเพลินความยึดถือความกล่ำกลืนในอายตนะคือถ้าบุคคลที่ตรัสรู้พระนิพพานเป็นที่ดับความเพลิดเพลินดับความยึดถือดับความกล่ำกลืนในอายตนะนั้นได้ อันนี so, uh, time, like ้แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุส right ัยนี่แหละเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัยนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยนี่แหละเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจานุสัยนี่แหละเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยพระนิพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอาวิชานุสัยเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้การจับสาตราการทะเลาะการถือเอาผิดถืออย่างผิดผิดการโต้เถียงการด่าการส่อเสียดยุยง หรือว่ายุแยงตะแคงรั่วการกล่าวเทศพระนิพานนี่แหละเป็นที่ดับอกุศลธรรมอลามกเหล่านี้อกุศลธรรมล า, ลาโมกเหล่านี้ดับที่อายตนะสิบสองโดยไม่เหลือเพราะฉะนี้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าตรัสแต่โดยย่ออย่างนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังที่ประทับคำว่าเสด็จไปเนี่ยโดยมากถ้าอย่างนี้หายตัวไป ในข้อ246ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานพิสูจนเหล่านั้นก็บังเกิดความสงสัยว่าอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศนี้ไว้โดยย่อนะเนื้อความที่กล่าวเมื่อกี้นี้ถือว่าย่อมากว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสัญญาคือกิเลสที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้า ย, ย่อมครอบงำบุรุษเพราะอายตนะใดทักการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ามเกลือนไม่มีในอายตนะนั้น หมายความว่าถ้าตรัสรู้พระนิพพานที่ดับดับตัณหาเหล่านั้นได้แล้วนี่แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยปฏิตานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยภวะราคานุสัยอวิชานุสัยนี่พระนิพพานที่กล่าวไปแล้วนี่แหละเป็นที่สุดแห่งการจับถอนไม้การจับสาตราการทะเลาะการถือเอาผิดการโต้เถียงการด่าว่าการส่อเสียดการยุยง ย, ยงยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยนะการกล่าวเท็จ พระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งอกุศสลธรรมอัลามกอกุศสลธรรมอลามกดับไปโดยไม่เหลือเพราะตรัสรู้พระนิพพานในอายตนะนั้นพระองค์ก็ไม่ชี้แจงขยายให้พิสดานเข้าไปอีกกว่านี้เลยเนี่ยนะก็ลุกจากอาสนะใครหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศคือหัวข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อ ที่พระองค์ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ใครเนาะอธิบายให้มันละเอียดเขาคือเขาพอพอจะเกือบรู้เรื่องแล้ ว, ว่ามืนั้นเกือบเข้าใจแล้วแต่ยังเอาไปปฏิบัติไม่ได้รู้นะว่าถ้ากิเลสเนี่ยมันดับดับที่ไหนดับที่อายตนะแล้วคิดยังไงจึงจะดับกิเลสในอายตนะเหล่านั้นได้โอ้คิดไปคิดมางงหาคนที่เ็าตอบได้ดีกว่านี่นะ